เรามาดูในอุโบสถวิธีนะครับร้อยหกสิบต้า น, นะครับสิขาบท ท, ที่สี่พิสูรรูปใดพึงสอนธรรมที่ยกขึ้นสู่สางพญานาทั้งสามด้วยภาษามมตแก่อนุปสมบัหน่วยให้ว่าตามไปพร้อมๆกันเป็นบทบทต้องอาบทแปดสิบปีนะครับ สอนทำให้หนังเทศบาลตั้งแต่สมัยนีน้นะครับค<ม>ารวะญาณโยมผู้หญิงผู้ชายเขาแลกแต่งนะสอนแบบว่าให้ว่าพร้อมกับตรงธรรมะนี่เอาธรรมะนะครับ<ม>เอาจุดพุทธพจน์นะพุทธพจน์สามภพพาสิย่างนี้นะครับปัจจัยบุญทั้งสิ้นเนี่ยพ้อมเรื่งจักรฐามีคําว่าที่ยกขึ้นสู่การสังขยาทั้งสามพังเนี่ยอันนี้สงสัยนะครับสังขยนามีตั้งหลายรันเนี่ยทำไมเอาจุพาะที่ ขึส่การสังคายนาทั้งสามครั้งนะครับอยู่ที่พูดเราจะนาร น, นะครับอันนี้นะในสมัญตานี่อนตักระาสมัญตาก็ดีในกังขานี่ก็ดีนะครับเพราะบุรุโคลาอาจารย์ท่างเกิดในสมัยนั้นนะการสังคายนาเพิ่งมีแค่สาครั้งนะครับครั้งสี่ห้าหกอะไรยังไม่มีนะเพราะนั่นก็เลยพูดแค่นี้นะครับ<ไ>สื่อสังคายนาทั้งสามนีนะ ทีนี้เช่นสองแสดงทําให้เนก็ดีนะทะยอยก็ดีและก็ให้เขาว่าพร้อมหมดต้นะนะนใช่ไหมว่าอ้าวเน่ตอนแรกก็สอนที่บาดไปใช่ไหมแล้วก็ว่าพร้อมกันนะครับอะไรนะ <S <S สับเพยสังฆาลาทูกฆ่าเ น, น, น, นี่ยก็พร้อมกัเนเลยนะให้เนว่าพ้องหมดตัวเองไปเลยตอนแรกคืออาจจะนําก่อนนะขึ้นเขียกนกระดาใช่ไหมแล้วก็ท่องให้ฟัง ก, ก่อนนะครับท่องให้ฟังแล้วก็ทีนี้เอา้า น่ว่าตาหรือไม่ไมด้ว่าตาหรือว่าแน่ว่าโยมว่าพ้อมเลยครับนี่นะอันนี้หละจะเป็นอาบัตไปที่ในสิคาบนี้เอาเฉพาะจะเป็นภาษาบาลีเท่านั้นนะครับเป็นภาษาไทยไม่เอาภาษาอื่นไม่เอาเอาเฉพาะเป็นภาษาบาลีเท่านั้นนครับคุณจะต้องอาบัตนะจันยาเราาไมคือมีการสัญญาสายสาครั้งไม่เอาค่เข้าใจหรือแค่สองครั้งกลายเป็นเนี้ยคัะทำไมต้องเอามต้ง ทั้งสามพันะเพราะว่าถ้ายกขึ้นทั้งสามพันแหล่ะนะที่เป็นพระพุทธโพธิสถาสมัยก่อนครับครับอ๋อเขาไม่เป็นไรครับจะมีในอนาบัณนะในอนาบันว่าสาทะยายสาทะยายพร้อมกันนะครับส่วนพร้อมกันสาทายายพร้อมกันนี้ไม่เป็นนะในตอนนี้มีการสอนนะครับมีการสอนแล้วก็ให้ให้อ่านอินปสัมบันฑ์ว่าเขาหมวตรง ถ้าเป็นการสวดสาธยายมนิไม่เป็นไรนะครับเป็นที่เราไหว้พระเมือี้อันนี้ก็ไม่เป็นนะครับถือว่าเป็นการสวดมนต์พร้อมกันนี้นะไม่เป็นเป็นอย่านี้อย่างกรณีที่เรียนภาษาบาลีเขาเท่าี่เขาไหรับข้าเถ้าภาษาบาลีเขายกพุทธพจน์มานะอันนั้นนดนครับพลาดการโดนไหมนะถ้ามีเนยอยู่ด้วยแล้วก็ให้เนนว่าดพร้อมกตรงนะครับในนี้โดน ขนแรนะคะเรวาตามที่กเออนรดันไปว่าขอแต่ก็ไม่เรวาดามแต่เนรจไปต้องพร้อมนะคะอาจารย์อันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้ไม่มีเจตนานะไม่เรื่องของเนที่บกว่าพร้อมของัราก็ไม่โด้นะครับนะครับตรงนี้เป็นอจิตตระกาถึงขนาดว่ามีเนเข้ามานั่งเรียนอยกด้วยถ้าไม่รู้นะครับแต่ท่านก็สั่งให้เนรอิานว่าพร้อมของท่านก็ยังโดนอาบัต ข้อถือว่ามีเนียนอยู่ด้วยน ะ, นะข้อนี้เป็นอันจิตกอกนะครับนี่นะต่อไปนะครับอันนี้ที่ว่าค้ า, ข, าของเขาไปอย่างนี้นเพราะว่าเมื่อทํานี้จะเกิดอะไรขึ้นบางทีโยมเขาจ ะ, สะแสดงกิริยาการที่ไม่สมควรออกมาผมก็เห็นทีหนึ่งนักา่าไปสแสดงเพราะนั้นสแสดงไปสแสดงมาแล้วก็ให้โยมว่าเขากว่าท่านเลยนะค้ับคือบางทีเนี่ยโยมเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะ ว, ว่าเขากว่าท่าน เขาต้องการที่จะมาตั้งใจฟังทำอย่างเดียใช่มถ้าอย่าเท่ไหนฟังต้องตั้งใจฟังที่มันทำแบบสดงมาแสดงมาเสพพังอ้าวโยมว่าพร้องกันแย่งยมว่าพ้องเมือนท่านก็ว่าพร้อมไปนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะก็ยังดีนะครับอท่านไม่ต้องอาบทหรอกต้องอ่าบทแต่ถ้าเปาา็นภาษามานีโดนะครับแต่ที่เห็นก็คือมันจะมีลักษณะนาาี้ว่าบัณฑิตโยมเขาจะสแสดงกิริยาการที่มันสุขกวคือเขาไม่ต้องการให้เยะว่าพร้อมท่องตาอะไรนะั่นนะครับ ไปในงานอย่างนี้เลยนะกำลังแสดงทำดีๆอะไรแล้วก็ให้เขาว่ า, าพร้อมเลยนะครับเราจะมีนักเนี่ยงมีะเรามาดูต้นบัญญันะตนนนนินะครับต้นบัญญัติเราเป็นที่นอนี่แหละที่บอกว่าต้นบัญญัตินี่ก็ยังมาจากพระจักรพัคีเอาโดยสมัยนะพิมุภาพระเจ้ากระทําอยู่หนะ้าพระเชตวันอารามของอาณาจักิดิการข้ามบดีเศษนครขอสาวัตถีครั้งนั้นพระจักรพัคียังเหล่าบางสดให้กล่าวทําเว้บท คือว่าพร้อมตอนนะผู้บางศ่งจึงไม่คารมไม่ยำเกรงไม่ประพฤติให้ถูกอัธยาศัยในหมู่พิสุอยู่บรรดาพิสุผู้มั่งน้อยสันโดษแต่ก็เพ่งตัองอ้งเตียมมุทนาว่าฉะนั้นพระจ้าวิตรีจึงได้ยังเราบังให้กล่าวทําดยบทเราว่าอุบาสกจึงไม่คารมไม่ยำเกรงไม่ประพฤติให้ถึงอัธยาศัยในหมู่พิสุอยู่แล้วกล่าวคุเนื้อความนั้นแด่พระพุทธเจ้า วกวว่าประชุมสงสงสอบท้าสงติเตียนก็จะปักขีแล้วก็บัะหยัดสิขาบทนี้ขึ้นมาโยมฟังดีเหมือนจะแท่กันพูดอะพระาพูดรูสก็พูดพูดแข่กันจะได้เหมือนะับไม่เคารพธรรมะคะา์หน้านี้มีลักษณะ้น้เพราะว่ า, าให้ยอมว่ า, าข้องกับท่านนยะเขากรแสดากริยาการที่ไม่เคารพ อาจจะวาแข่งก็ได้นะวาแข่งก็ได้มันมันก็ได้หนาแบกหรกอฟังเพลงบาทีมันก็ไปเนี่ยมงคนเขาต้องการที่จะฟังเฉยใช่ไหมให้ได้เนี้อหาสาระยูดีพาก้า้าให้ว่าค้องแบบนี้เนี่ยดีกวาที่เกิดความรู้สึกที่ไมีดีนะเหมือนสมัยเรียนะคะอาจยบางคนก็แบบพูดเล่นบางคนจะมีแบบแนวอะไรบบว่าเอนจะทำตัวไทาไหนะ ใใ่ทีนี้กลับมาดูมาดูคำอธิบายนะคําอธิบายในกังขานะครับหน้าร้อยหนะ้าสิบหกนะครับคําที่สี่อธิบายประท้าโสมธรรมสิกขาบทพึงสร้างหาอธิบายในสิกขาบทที่สี่ต่อไปคําว่าประท้าโสมธรรมวจ य य. ิยะแปลว่าให้กล่าวทาในบทแปลว่ากล่าวําที่ไม่ได้ ที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่การสังคขยาสามพันก็ท่านจะแบ่งทำสองหมวด น, นะที่ยกขึ้นสู่การสังคข ย, า, ยาก็มีที่ไม่ได้ยกขึ้นก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่การสังคขยาสคมพันเนี่ยได้แก่ลาโชวาทาา่ากระถาติดชินทัติยาาา่างกระถาเจดุปริวัต น, น, าานากระถานันโทปนันทาา่ากรถากุลุมปสูรและมัคคะกรถ า, า, าเป็นอ้อน ไม่รู้อยู่ตรงไหนลองไปอ่านีูก็แล้วกันในพระไเรปิฎกระถานีกานะเราไปดูราโชวัาทคาถาต้องเป็นคําพูดเกี่ยวกับโอวัตพราชานะครับติดทิ้งพลิยะคาถาพูดด้วยอินทรีแก่กล้านะติดฐานนะครับจะตูด ป, ปริวัตนาคาถาคืออะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยปริวัฒนาแปลว่าแลกเปลี่ยนก็ได้ไแปลวแลกเปลี่ยนแปลว่าการกลับความก็ได้สี่อย่าง นันโทปนันทากถาเนี่ยอันนี้อันเจเกียรต์พญานารึเปล่ า, านะครับไม่รูเหมือนกันนะต้องมาอดูตรงนั้นนะครับมันจะมนานโทปนันทะหน้าคาราใช่ไหมุูรูปอมะสัสสูและมะัคคคถาเป็นต้นนะครับอันนี้ที่ไม่ได้ขึ้ น, น, นสู่การสังฆทานสามครั้งก็ต้องทำบัตรเหือนกันและกล่าวคําคือปัจจัยปิดกที่ได้ยกขึ้นสู่การสังฆทานสามครั้งนะครับจริงๆถ้าต่คตาถาด้วยนะถ้าเป็นใน ในพระไตรปิฎกท่านจะอธิบายลเอียนะครับว่าทำเอาอะไรบ้างกล่อาตั้งแต่พุทธภาสิตนะครับสาวกภาสิตอิสิภาสิตเทวตาภาสิตซึ่งประกอบด้วยอักประกอบด้วยธรรมก็หมายความว่าทั้งที่เป็นภาพบาลีว่าเอกสารนะครับอันนี้โดยหมดเลยพุทธภาษิตเป็นยังไงก็ได้แก่พุทธพจน์ทั้งหมดท่านก็ยอมานะวินัยปิฎกทั้งสิ้นอภิธรรมปิฎก ธรรมบดเจริยาปีดบภูธาอิกิมุตกะชานกนสารนิบ่าวิมานวัตถุเปตั ว, วัตถุนะครับแรกประศูนธทั้งหลายมีพมมช า, าสุดเป็นต้นชื่อว่าพุทธภาสิตที่พวกพุทธองทรงต่างไว้ในต้นนะรันี้นะชื่อพุทธภาสิตทำที่พวกสามวผู้นักเนื่องในบริษัทสี่ภาสิตไว้มีอนังทนะสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรอนุมานาสูตรจุลเวธมสูตรมหาเวทมสูตรเป็นต้น อันนี้ชื่อว่าสาวกพันสิทธนะครับความจริงก็อยู่ในพระใจพิดอก็เลยนะพระใจพิดกทั้งสิ้นนะครับไม่มีพุทธพอ่ออย่างเดียวนะมีเป็นคําของสาวกก็มีนะครับคําของพวกปริพาชชคก็มีนะนั่นนะี้แต่ท่านก็รวมนี่ว่าพุทธพอ่อข้ออรครับเพราะว่ามีพระหลักของพระพุทธเจ้าเป็นสูตรมากนะครับเลยในหนึ่งถึงจะมีสาวกพันสิทธอยู่นะ แต่ว่าสามวงหลังนี่ก็ฟังทำปฏิบัติธรรมจากพระพเจ้านะครับและก็ได้บรรลุใช่ไมแล้วถึงรู้ธรรมนะครับก็เลยเรียกว่าพุทธพจนเหือนกันถามวาเนี่ยถ้าเป็นพระพเจ้าพรทธเจ้าเขาะพระงนีะพว่าที่เขารู้ธรรมมากเขาก็ไม่รู้ทำเองใช่ไหมเขาก็เรียนมาจากพุทธเจ้าเรียนธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติจนรู้เข้าใจใช่ไมแล้วก็มาแสดงได้เกรีเรียกว่าพุทธภาษิมนกัน ถ้ามองว่าอนังคณสูตรสมาธิสูตรมหาวิธานสูตเนี่ยภาษาในบุตรนะครับเป็นคนพาสิบไว้นะส่วนอนุมาสูตรเนี่ยพระโมคคานะพาสิไว้นะครับจุลวิธานสูตรนี้พระนานธรรมทินนาเทวีพาสิไว้แล้วเจอปัจจัยกระดกบางเล่มนะครับเป็นของภาษาวนวนเลยนะอย่างเช่นในอะไรนะมีอยู่สองเล่มด้วยกันนะครับที่เป็นคำพาสิบของพระสาวนวลเลยนะสองเล่มนะครับก็คือ นั่นปฏิสัมขิทามากนะครับมีประีิสัมขิทามากแล้วก็ไงจำไม่ได้นะจะมีนะครับในขัสูรเราไปดูนะครับเลือกเซิร์ช น, น, นะคุู้ชมเลกเซิร์ชอ๋อไย้รูของได้ติดปรกรณ์ใช่ไหมครับของพ่อมหาการเจริถนาท่านได้ติปอปกรณ์มครับจะเปนของภาษาที่นคือในพระไตรยูดกนะครับอ๋อนี่ไม่ใช่ครับอันนี้ภาษาลุ่นรุ่นหลัง น, นะ นุ the the the the ่งในคนไหนางการนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นอันตรกับอัิการนะครับอันนี้มีการระกจ้าพิมพ์พระเจ้าพิมพ์หลายองค์หายองค์นะครับอันนี้หลายองค์เนี้อันนี้มันหลักคาชื่อเหมือนกันนะแต่ที่อยู่ในพระตียงดงเนี่ยสองเล่อนะครับอันจะเยอะกว่าหน้าที่ที่จำหน้าสองเล่อเป็นคำพูของภาษาในบทเลยนะครับละเอียดลึกซึ้งนะครับใช่ชื่อซ้ากันถ้าโมคคานนี่ก็ชื่อซ้า พระกัจจายนะนี่ชื่อสามนี่นยนี้นี่นะพุทธภาสิทธ์นะท้งนี้สาวพาสิทอีสีพาสิทเป็นยังไงครับพาสิทธ์ของพวกเลยสีนะถ้าบอกว่าเป็นธรรมที่พวกปริาพาชโชคพาเนกก่ากาไวเมียที่อย่างนี้คือปริพาชโชควักทั้งสิ้นรในพระตไตรปิฎกลองไปดูหนครับตอนนี้เป็นปริพาชโชควักทั้งสิ้นนะเป็นคําของพวกปริพาชโชควัก น, นั้นน่ะ คำปุจฉาของพามสิหกคนผู้เป็นอันเทวาสิของพาม์ชื่อว่าพามบรีนะครับน่ mm hmm. ลาลองไปดูนะข่ามันก็เยอะๆ mm hmm. เลยครับ น, นี่แหละไอ้ชื่อว่าอิสิพาสิมีนมก็นนอยู่ในพระไตรปิักนะส่วนเทวตาพาสิกก็มีนะครับนักแสตมทุกพวกธรรมดากล่าวไว้ชื่อว่าเทวตาพาสิก mm hmm. เทวตาพาสิกทำนั้นบรรลุึงทราบเรื่องหน้าเห็นเรื่องมีเทวตาสัมยุตธนะครับในพระไตรปิฎกนะ เรื่องที่รวบรวมเกี่ยวกับเป็นคําของเทวดานะครับที่มากราพื้นด้วยจ้าครับแล้วก็เทวดาปุต่างสังยุตมาสังยุตพรมสังยุตและสังกาสังยุตนะครับเป็นต้นไปดูเหมือ น, นั้นได้นอยู่ในข้อใดบิดดกนะครับอันนี้ยังก็ชื่อว่าเทวตาพราสิต ง, ง่ายๆข้อใดบิดดกทั้งหมดเข้านั่งประธานนะครับ mm hmm. ก็คือหมดเลยต้องเป็นภาษาบาลีด้วยนะครับท mm hmm. ่านบอกว่ า, า, าเทวดา ออันนี้ข้ามแล้วนะจะกล่าวถึงคำที่อาศัยอาศัยนิพพานซึ่งประจักอวต่างแม้ก็จริงถึงกระ น, นั้นก็เป็นอาบัติแก่ที่สุขเพื่อให้กล่าวธรรมที่ขึ้นสู่สางกีติสามขยานาทั้งสามคราดโดยบทเหมือนกันไม่เป็นอาบัติแม้ในคําที่อาศัยพระนิพพานที่เราเร า, เราจะนาไว้โดยผู่เป็นคาถาสโลเป็นต้นเรื่องหน้าภาษาต่างๆครับไม่เป็นนะถ้าภาษาอืนน่นนีไม่เป็นเลยครับ แต่จเป็นคำพูดลูกศิษย์อินพานิชานี่นะสัญญตานี่นะครับก็ไม่เป็นอยัยพอภาษามาดีจริงะครับภาษาไทยนี้ไม่เอานะมาดูนะครับทีนี้ลักษณะการต้องอาา่านแบบจะเป็นยังไงใช่ก็จะจําแนกมานะครับว่าเน่อ่ทุกสังขยาสามครั้งทุบทุทบบทนะครับคือทุกๆส่วนในาบรรดาบทอนุบ ท, อ น, บท อ, น อ, บอนุอนักษรอนุพยัญชนะ เดี่ยวจะขึ้นกระดาษให้ดนะูถ้าในถ่ายกระสานเรื่องใหม่เนะี่ยจะมีบางทีคาถาไม่เท่ากัใ่ไหมครับจะได้เห็นภาพ น, นะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผู้หนึ่งบทก็คือหมายถึงคาถาหนึ่งบาทนะครับคาถาแต่ละบาทแต่ละบาทนะเป็นหนึ่งบทนะเช่นคาถานี้นะครับสัพเพสังขาลาทุกขาติเยข า, าปัญญายก ป, ปสติอัฏฐะนิพินสติทุเขเอสามะโควิสุทติยา อันนี้เป็นสี่อ่หนึง่งคถานะครับมีอยู่สีบ่บาทด้วยกันะะแต่ละบาทเนี่ยแต่ละบาทนี้ไม่ว่าหนึ่งบท น, นะครับทีนี้นะแต่ละบาทเรีกว่าหนึ่งบทแล้วก็อนุบท น, นะครับหมายถึงคถ า, าบาทที่สองอันเนี้ยคถาบาทที่สองนะคือญาติทางปัญญาญาปสติใช่ไหมเรียกว่าอนุบท น, นะครับอนุอะไรนนะันนี่อนุอันนอกษรนะครับอนุอักษรนะ อนอ <the> ักขลานี่คืออักษรแต่ละพยางนะครับอักษรแต่ละพยางนะเราดูข้างล่างก็ได้นะรู้น <the> ี่ก็พยางคปังอะนิจจนะครับคําแต่ละพยางแต่ละพยางแต่ละพยางนะมันแต่ละคามาเลยนี่นะครับถ้าแต่ละพยางนะครับแต่พยางนี่นะเรียกว่าอนุอักษรนะครับมันแต่ละพยางเลยนะรู้ปังอะนิจจนะครัแล้วก็ อะไร niin, ต่ออนุเพยนชนะคือเพยนชนะตัวหลังที่เหมือนกับเพยชนะตัวแรกนะครับอย่เช่นคาว่าอรูปปางอนิจจงเวทนาอนิจจ์นะครับคาว่าอนิจจ์เนี่ะเรียกว่าอนุเพญชนะพราะเหมือนกับคาว่าอนิจจ์เป็นบทข้างหลังนี้รัที่เหมือนกับนนนะบววทแรกอันนี้ถ้าเรียกว่าอนุเพยนชนะนะครับอันนี้เนี่จะเกี่ยวกัรให้ว่านะให้ว่าแบบไหนนะต้องอานบ้ ต้องหมดหน้าจริตนี่อย่างางไหนก็ไม่ได้นะครับอันนี้ให้รู้ไา้ก่อเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่บอกว่าอะไรต่อนหรือนะครับหรือในใ น, น, นอักษรแต่ละพยัญช น, น ะ, ะชื่อว่าอนุอักษรยิ่งคับใช่ไหมนะถูกต้นนะะองไหมครับอักษรแต่ละพยัญชนะชื่อว่าอนุอักษรน่าจะแต่ละตัวผมมาเขียนว่าแต่ละตัวนะครับมืออักษรชื่อว่าอนุพยัชนะนะครับ ไปก่อนนะมู่อักษรและอนิพยัญชนะชื่อว่างบทนะครับบทแรกชื่อว่าบทบท ต, ต่อมาชื่ออนันนี้บทแล้วอย่างนี้นะครับแต่ละพยางนะดีไปก่อนนะครับมุ่งอักษร น, นะครับน่นจะแต่ละตัวนะแต่ละตัวมากก่อนนะครับจาางว่ารูปบางอนิจจงนะครับอ่าข้างบนก็ได้นะ สัมเพสังขาราตุขานติเขาว่าสับก่อนนะครับาว่าสับนะมามาจากสอ่อเสือแล้วก็ผ่อพานใช่ไหมจุดนะครับตัวเนี้ยมันมีอักษรมันมีอักษรภาษาบาลีอยู่สามตัวนะมีสอ่อเสือนะครับและเสลอะที่ซ่อนอยู่ในสอ่อเสือนะแล้วผ่อพานจุดนี่นะอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวนะ่าสอเสือเสลอะผ่อพานเลยท่านเรียกว่าอนุอักษร อ, อนุวัคระนะครับนี่นะ และก็หมูอแห่อักษร น, นะครับอักษรหลายๆตัวหน่ะนะรวมกันเรียกว่าอนุพยัญชนะนะครับอนุพยัะก็คำว่าศัพท์คำหนึ่งใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอนุพยัญชนะนะครับเพราะศัพท์เนี่ยเรียกเป็นหนึ่งพยางใช่ไหมตอนแรกนะครับอนุกฉลลคก็หมายถึงอักษรแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ลตัวเลยเอักษรแต่ละตัวมารวมกันแล้วก็ได้เป็นพยางคเป็นศัพท์ใช่ไหมนะครับ มือักษรและอันเพียงชนะชื่อว่าบทนะครับยื่งนั้นใช่ม <c oughs> หมเอาใหม่เอาตอนนี้ยบทในที่ท่านน่าจะหมายถึงว่าบามากกว่านะครับน่าจะหมายถึงบามากกว่านะเพราะฉะนั้นของท่านบอกว่าอักษรแต่ละพยานมีถูกแล้วนะครับอีกอนะอักษรอ่อาออแต่ละพยานไปเลยเขาว่าสัพใช่ไหมอันนั่นคืออนุขลานะครับ เอาอักษรแต่ละพยางค์แล้วไม่ไม่เอาแต่ละตัวศัพ์ตัวหนึ่งเพสังขาราใช่ไหมทุกขาตีแต่ละพยางค์ไปเลยนะครับเรียกว่าอนอักขระนะครับแล้วเอกพยายงค์มารวมกันเป็นคำพยางค์รวมกันออกมาเป็นสัพ์เพเลยใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอนุพยัญชนะนะครับในที่นี้นะคือธรรมนานเขาจะเรียกว่าบทนะครับ แต่ลรพยางามรวมกันได้เป็นบท น, นะครับแต่ที่นี้หมายถึงอนุเพียนชนะนะทีนี้เนี่ยหมู่แห่งอักษรและก็อนุเพียนชนะมารวมกันก็หมายถึงว่ามาหลายๆบทมารวมกันก็ได้เป็นบทใช่ไ้มครับแต่ท่านก็เรียกว่าบทในที่นี้นะในบทในที่นี้สัพเพสังขาราทุกขานตีมันเป็นหนึ่งบทในที่นี้นะครับที่นี้นะส่วนบทที่สองยธางปัญญา ย, ยักปสติเรียกว่าอนุบท พยายามเอาเอาพยายามใช่ไหมพยายามแล้วก็มาบทบทแล้วก็เป็นหนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วก็เป็นบัตรที่สองแต่คําพูดของท่านเนี่ยท่านจะใช้คําว่าใช้คําต่างกับตรงนี้นะครับใช้คำว่าอนุขลาอานุพยัญชนะบทอนุบทนะครับอนุขลาเนี่ยเขาเรียว่าหมายถึงพยานสัตว์เนี่ยหนึ่งตัวหนะ้าเรียกว่าอนุวขลานะครับส่วนหนึ่งบทคําว่าสัพเพหนึ่งบทนี่นะ สังขาราต้องหบททุขาติเนี่ยหนึ่งบทท่าเรียกว่าอนุขยันชนะในทีนี้นะครับแต่หลายหาบทเนี่ยมารวมกันใช่ไหมหลายบทมารวมกันนะครับก็ได้เป็นหนึ่งบาทคือสัพเพสังขาราทุกขาติอันนี้มันสามบทมารวมกันใช่ไหมครับก็ได้เป็นหนึ่งบาทแต่ถ้าเรียกว่าบทในที่นี้นะเรื่องบทในที่นี้พอบาทที่สองก็เรียกว่าอนุบทไปนีครับไม่เป็นไรอันไหนออนไลน์ข้อที่สองก็ได้นะ เอาในแรกก็ได้นะคะดีพอาะอยู่ท่านจะอธิบายในแรกนะอันนี้นะคเอาท่านไม่น่ชั่ววันนะท่านก็บอกว่าคำอธิบายในนี้นะครับจะให้สํมณะนะหรือว่าโยมนะครับว่าพร้อมก่อนตนดูลักษณะไหนเนี่ยก็ต้องอ่าบบัตรนั้น <S <S <ม>ก็ยกยกตัวอย่างแล้วนะยกตัวอย่างเช่นะนะครับอะไร บอกว่าตอนคำชุบาทบทนะครับบทก็คือแต่ละบาทแต่ละบาทนะให้เนีย่ยถือว่าให้เนีย่ยางตาใช่ไหมขึ้นต้นพร้อมกันให้จบลงพร้อมกันอย่างเช่นเนี่ยสัาเพสังฆาตุฆาตติเนี่ยก็ว่าพร้อมกันเลยขึ้นต้นก็พร้อมนะสัพเพนะครับมาจบสุดท้ายทุก ข, ขาติก็พร้อมกันเลยนะครับคือไล่ไปแต่ละบาทแต่ละบาทแต่ละบาทเลยนะ ขึ s, ent, ness, ้นต้นพร้อมกันแล้ว <pod> ก <fight> so, ็ลงจบตรงพร้อมกันที่ลงพร้อมลงพร้อมกันนะครับอันนี้ชื่อว่าต้องอ่านบทด้วยบทนะครับเ็รทุกบทใช่ไหมทุกบทมันยัต้องอาบันะครับส่วนอนุบทอนุบทอันนี้หมายถึงบาทที่สองเนี่ยเรียกว่าอนุบทถ้าบอกว่าขึ้นต้นต่างกันให้จบลงพร้อมกันนะครับหมายว่าความจริงเท่านจะให้สาำนึกว่าการท่านแหละนะแต่พนเดียนมตามไม่ทัน ตอนบาแรกในสัพเพสังฆารทุกขาติเนนตามไม่ทันนะครับใ น, นมัทราต้องบา ท, ที่สองย่ธ า, ปยายตปัญญาปัสสตินะครับอันนี้นะท่านก็ต้องอาบาัตเรียกมาต้องอาบัตด้วยอนุบุตนะครับคือบทแรกเนนางไม่ทนันเนมาตามทานบาทที่สองนะขึ้นต้นไม่พร้อมกันใช่ไหมเพราะท่านคินสัพเพสังฆารไปแล้วนะครับเนนพุทธาตามันตรงนี้แต่ว่าจบลงพร้อมกันนะครับปสตินะครับอันนี้ คิดว่าต้องอาบทโดยอ น, นุบด น, นะครับด้วยอ น, นุบดขลังเป็นยังไงถ้าหมือกว่าพระสูตรสอนว่ารูปังอนิจจังนะครับอ น, นุปัฏฐานกล่าวพร้อมกันว่ารูานะครัแล้วอยู่แนเนแกยังไงไม่รู้นะเราบอกเอาเน่ว่าตามนี้รูปังอนิจจังเนก็รู้พร้อมกันร้อยคำว่ารูไม้ตรงนั้นนะอย่างนี้ครับในก็โดนอ่านบทที่นั้นนะครับหรือ <brass. S 1> จะมาพร้อมกันร้อยคาว่าปังนี้นะก็จะโดนอ่านบทตรงนี้น ผู้ผิดน้พาต้องอาบัแล้วไม่ใช่ไหมพต้องอาบัติว่าในจะกรคำว่าดูคาเดียวก็เขาเ้าใจเขาเพราะว่าคว่าดูของเองน่ะมันพร้อมกับพรคนะครับแต่กหยุดแค่นั้นแกไม่ไปต่อกาแเรานะครับเออใช่ใชใช่มันจริเด็กข่าจะเล่นก็พูดครับพอคนเ่ไม่พูดแล้วึสังก็้างอาคารลาได้หยุดเออมานาหนหนะเเขาต้องการจะเล่น แต่มาจากการที่พระใช้เพราะว่าใช่ไหมเขาเลยว่าตามเป็นตัวเป็นตัวไปอย่างนนะพระคนเลยต้องอาบัตรเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวที่เนว่านะเนี่ยต้องแบบนี้ไปจะให้รู้ว่าเนี่ยจะแบบไหนก็โดนอาบัตรกันนั่นนะ่อนนี้นะพะเจตนารถเนี่ยจะไม่ได้ต้องการจะให้เนวเล่นหลอกแต่การจะทําออกมาแบบนั้น่เป็นลักษณะของการที่แบบในขั้นเรียนนะมีความราคาที่ความไม่มีความเคารพทางเขาจะทำไม่ได้ ใช่ใช่แค่น้ทีนี้นสุดท้ายเป็นยังไงอนุพ ย, ยัญชนะนะครับคือพี่สุสอนว่ารูปังอนิจจนะครับข้าสองอย่านี้นะอนุปัสสบันนะครับแต่เสียงวราว่าเวทนานิจจเพราะความผู้ชละใช่ไหมดันะโอ้แค่นี้เองนะครับ <c oughs> จริงๆนะท่านก็ิบายท่านก็โอ้ท่านก็ได้ในก็ได้แล้วนะ <c oughs> ในขากข่ากาอนิจจนะครับพร้อมกับข้าตอนนิจจ ใชครับถ้าด right? yes. so right? so ูปาริจังในก็อนเวทนานิจจ์คําว่าอนิจจ์เหมือนกับอนิจจังใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้าก็ต้องอามบัดดีนะครับต้องอามบัด้วยอนุทเวีนชนะนะครับมายว่าดนไหนตรงไหนคือโดอหมดนะจะไล่ไปที่ตัวที่ลพยายาะพยายามก็โดอใช่ไหมจะว่าเปที่ระบาดก็โดนหรือในว่าไม่ทันในมาว่าทางข้างหลังก็โดนครับโอ้โดนหมนเลย ยังไม่ได้นะคะรับใช่ใช่ต้องเคารพนะ<ม>ให้หะความหนักเรื่อยบแม้เพื่อใจยังต้องเคารพธํามเลยพวกยังเคารพธํามเลยนะ<ม>อนะมืมอะครับอันนี้ได้เนี่ยอธิบายคือการต้องอบรรมคือเป็นอย่างนี้นะคะรับต่อไปคําว่าปาจิตยังความว่าในบรรดาบทเป็นต้นเหล่านี้เว้นพิสุและพิสุนีเสีย เมื ators, them, dulu, ่อพิสูจน์ส mm hmm. อนทำส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมกันกับบุคคลที่หนือนะครับถ้าสมบูรณ์ลงไปนะต้องบัตรคามจิตตีตามจํานวนบทเป็นต้นนะตามที่ว่านเมื่อกี้นะครับโด่งไปเลยเหตุเกิดได้ประเภทอาบัตสิ้ามบทนี้เพื่อปั้งเจ้าทรงประลบพิสุจน์เฉพาะคีในมุลสามวันทีทรงมันจัยไว้แล้วต้องเห็นคือการกล่าวทำพร้อมกันกับอนุปสมัน ก็คือสอให้เนย์ว่าพร้อมกับตนเป็นสาธารณะบัญญัตินะครับพิสูจน์นี้ก็มีเหมือนกันอันนั้นติกรรมไม่เกี่ยวกับการใช้นะใครสอนคหน้าคน้นโดดตีกรปมปฏิสีตคือเป็นสมณเนยท่านจะรู้ก็ดีนะครับถ้าจะสงสัยก็ดีหรือเข้าใจผิด ว, ว่าเป็นพระเนยมานั่งเียอยู่ด้วยเข้าใจผิด ว, ว่ามีแต่พระนะถ้าที่มีเนยอยู่ด้วยมางทีเนม์บางควอาจะตัวโตอะไรอย่างี่แล้วเข้าใจวมีแต่พระนะครับท่านสอนไป นั่นก็ต้องอาบัตอยู่ดีนะครับเพราะเป็นติการนะติการปัญจีนะครับอันนี้ไม่พนมมม้นนะข้อนั้นข้อนั้จะแปลจิตตกาใช่ไหมครับแม่ จ, จ, มจะไม่จิตตนาเราก็โดนนะอุปสำบันคือเป็นข้าใช่ไหครับแต่ท่านไปเข้าใจผิดว่าสําคัญว่าเป็ป่อุปสำบัติหรือสงสัยเอ๊ะ้าหรือว่าใงนะครับ<อ>แต่ก็เนี่ยให้ว่าพร้องกันนะครับต้องอาบัตทุกกฎอาบัตจะเบาลง ต่อไปอนาบาัตรพิสูไม่ต้องอาบัตรเื้นะ่อ่าทาี่อบัพสงไใช่ไหมนะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วู่จลไมใช่อพอสงสัยนะสงสยัยหรือว่าสังคัญผิดแล้วก็ยังทาลงไปเนี่ยก็ยังต้องอาบานะัตรท่านในความจริงตัวบุคคลเน่เป็นพระใช่ไหมในง่ท่านก็ไม่ต้องให้ว่าพร้องกันนะท่านไปด้านเข้าใจผิดหรือว่าด้นสงสัยที่มาอีกนะเนี่ยพราให้ว่าพร้อมกันกนะ็ยังต้อาาสงมาถูกกด ก็ไปอนาบัตรนะครับที่สูงไม่ต้องอาบัตเมื่อเรียนพระบาลีพร้อมกัอบอันบัสมัตเป็นยังไงหมายความว่าพระแกนเนงน ะ, ะเรียนด้วยกันอาจารย์นะใช้นะให้พระในว่าพร้อมกับท่านนะครับพรานละนที่เรียนนั้นไม่ต้องอาบัตถ้าไม่ต้องอาบัตเลยเพราะถือว่าเป็นผู้เรียนถึงจะว่าพร้อมกับเนงก็ไม่เป็นแต่อาจารย์ต้อเป็นครับต้องอาจารย์เป็ผู้ใช้ให้ว่าพร้อมนะแต่เนไม่เป็นอันนี้ แต่ว่าถ้าในกรณีนี้นะไปเรียนกันเนยครับเนเป็นคนใช้ผ้าวางชอลักตะตนนะอันนี้พ้าไม่ต้องอาบัินะครับที่ต้องอาบัดเพราะว่าผ้าเป็นคนสั่งเป็นคนสอนนะให้เนว่าดพร้อกแต่ถ้าเนยเขาเรียนเก่งอัญมณบุญมนานป็นเนยนี้นกะสอนผ้าได้แล้วก็ให้ผ้าวาดพอมกัตนผ้าเาไม่ต้องอาบัดนะครับหมายถึงว่าคนที่สอนนยเป็นเนใช่ชี่น่ใช่ใชให้ใช่ใ่่ใช่ใอ่ใ่ เนี่ยก็ไม่โดนอาบัตรสาธยายทำนะคะับนี่สวดมนต์พร้อมกันนะอันนี้ไม่เป็นไรเรียนพระบาลีในสำนักของอนุบัติสำบันนี่นะที่เขพูดถึงนะครช่วยอนุบัตสำบันผู้สวดคัมภีที่คล่องแค่ส่วนมากนะครับหมายความว่าในคล่องได้ค่องแค่หรือมากแล้วนะแต่มีบางตอนที่จะยังไม่คล่องนะครับแต่ส่วนใหญ่จะคล่องแคง่แล้วแหละแล้วก็ให้ในว่า น, นะครับ ให้ส่วนส่วนที่ไม่คล่องพร้อมกับตนอันนี้ก็ได้นะครไม่เป็นไรนะบอกให้นุประสัมบันฑ์วนสวนส่วนที่ผิดท่าใหม่พร้อมกับตนอย่างนี้ว่าเธอจงว่าอย่างนี้นะครับบางทีเนเข้าไปแสดงคำท่ามกลางถุงชนใช่ไแกก็หน้าแล้วหลังนะครับแต่บางทตื่นค้นนะพูดถึงถูกนะครับกล่าวสูดวกมนนะท่าก็เลยบอกเน่ไม่ใช่อย่างงั้นไหวอย่างนี้นะครับก็ช่วยเน่นะ ในนี้ได้นะครับไม่เป็นไรใครเจออยู่ทีหนึ่นะครับที่ทางเหนือเขาจะเทศนะเทศใบนานแต่เทศภาษาเหนือนะครับแล้วก็ดีขนาดนี้นะครับว่าเวลาเทศนะเขาจะไม่พระเนยนะเขาเห็นหน้าโยมนะมันจะมีธรรมะเขานะครับแล้วก็บางหมดเลยนะนะครับธรรมะนี่ยมับางหมดเลยนะมันก็ไปธรรมะแล้วก็มีสาระบางทุกหน้านเลยนะครับ เป็นฉากแต่เขาทําอย่างดีนะครับเหมือนกับเป็นห้องเล็กๆเน่ะเป็นธรรมะจะใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีสูงนะครับมันกับเป็นบ้างนเล็กเนี่ยแล้วเป็นกเกาะแล้วผ้านเนี่ยก็จะขึ้นข้างหลังใช่ไหมเขาโยออ ก, กเนี่ยโยมของหน้าทางนี้อนะแต่ถ้าขึ้น่างนี้ข้างหลังนี่ก็มีฝาปิดหมดเลยแล้วผ้าก็เข้าไปนั่งตรงนั้นแหละแั้นก็มีไม้ให้จูนแล้นั่นก็แทรกไปนะครับนี่นะมันไม่น่าจะประมาไม่น่าจะต้องกลัวแล้วใช่ไหมไม่เห็นหน้าใครนะ แต่เมื่อเขาเขรู้ว่ามีคนฟังนะครับ <c oughs> ก็ยังกลัวอยู่ดีะนะตอนนี้มีเนยปองหนึ่งนะครับโอ้ยแกกลัวเขาว่าว่าไม่เคยถูกนะครับคนก็ยิ่งหัวเราะยิ่งอะไรแกก็ยิ่งเพลงใหญ่เลยนะนะครับแกภาษาเตรียมตัวอย่างดีแล้วนะรู้สึกจะเป็นหน้าเข้าปรรษารู้อะไรนะเขาจะให้พาในที่สวยหน้านะมามาแทะภาษาหนึ่งแลเขาก็ซีซ้อนกว่าหน้าดูแหละก่อนจะพิด คนเปนจริงๆเออเลนไม่เคยนะครับกวนครับว่าทำธุรกิจถูกทันทีเนี่ยเป็นได้นะครับแล้วก็ช่วยได้นะกรณีนั้นะไม่ต้องอาบัดนะครับและที่สูจบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบองค์อาบัดสิครับวันนี้มีองค์สามเหล่านี้คือหนึ่งผู้ถูกสอนแปลนุบสัมบัตสองกล่าวทำที่มีลักษณะดังกล่าวพร้อมกัน ก็หมายถึงพระบาลีแต่กระทำที่ได้มีสามบาลีนะครับสามกล่าวจบพร้อมกันนะลักษณะลักษณะหนึ่งที่ว่านะคสิกขา เ, าเมื่อเขาองคศาคก็ต้องบัดไปตีในสิกขาบทนี้นครับสิกขาบทนี้เป็นพระท่โสธรรมะสิกสมุทฐานพระท่โสธรรมะสมุทฐานคือมีสมุทฐานสองคือวาจาและก็วาจากจิตอันนี้มันมีกายนะเพราะว่าต้องมีกายว่าพร้อมกันนะครับต้องเกิดทางวาจาย่อมเดียว จิตเนี่ยคือเราจะรู้หรือไม่รู้แมจิตานาหรือัมจิจนานะถ้ามีเนนิยูด้วย เ, เราให้ว่าพร้อมกันคราอันนี้ก็ตอ้องอภิธานนั่นอ่านั้นมันก็เลยแค่วาจายเหตุก็โดนหรือวาจาศิก็โดนสมุทัยนะครั บ, บคุณม่ท่านย่สนใประเด็นที่ว่าแล้วมีเนรเข้ามาดูด้วยไปคิดเจอเองไม่รู้่ว่ามีเนรกข้าไปดูด้วยเนรสงสัยสนใจต้องอภิธาต้องอาเพราะว่าอสิาบาุนีแปลจิตตรก อจิตตการที่จะรู้หรือไม่รู้ต้องเจตนาไม่เจตนาต้องอาบัท่านะ้นอามบัตจะมี2อักษสนะนะที่เป็นสจิตตการนะต้องเจตนาต้องมีเจตนาถึงจะต้องอีแบนมันเป็นอจิตตะการจะรู้ไม่รู้เจตนาไม่เจตนาต้องเท่านั้นอย่างเี้คือทำเป็นใหญ่ถ้าสงเป็นใหญ่เพราะแนนนีแต่ก็เลยถ้าสงไม่ได้ใช่ไมช่ใช่ใช่ไม่ได้่้อทำคนบ้ ถ้าสมงก็เป็นใหญ่ดูทำเลยพี่นายอินในพอพอม่ได้คนเพื่อนก็รอนิดนึงถือว่าไม่เป็นขสงละเกี่ยวกันเกี่ยวต้นบัญญัตินะต้นบัญญัตเพราะว่าแหนมีประสาทบันฟังใช่ไหมแล้วก็คุณไดกิริยาอันนี้เป็นกิริยาต้องเพราะกระทำโนสัญญาวิโมกไม่รู้ก็ไม่พ้นอจิตกจะรู้หรืไม่้ก็ต้องอามัดนั้นครับปณิตวัชชะ อันนี้ไม่ได้เป็นอคุณสมบัติอย่างเดียวนะแค่กันให้ให้นี่เป็นสมบัตการทำในบทพร้อมกันเนี่ยไม่ได้เป็นอคุณสมบัติอย่างเดียวนะครับเป็นกุศลก็ได้พ่อจะนั่งอาบัตรบางข้อนะครับอ่าต้องอานบัตรได้เพรากุศลและจิตนะกุศลและจิตหรือแม้แต่กิริยาจิตของพระราหัน์นะครับก็ยังต้องอานบัตรได้เหมืกันแต่ของพระราหันก็จะต้องแบบปัณณิตวชานะที่เป็นรมกับวชิรมันไม่มีเป็นกุศลไม่มีเป็นวจีกรรมอย่างเดียวนะครับ ท่มา น, บ, าไไนบัญญัติแรงแล้วก็สัมพานธิเสษนะว่าอะรหันนั่นนะใช่ใช่ข้อที่เป็นปณติวชานะมันจะมีบางข้อนะอเช่นข้อชักสื่อนะครับให้ใชย้ยผัวเมียกันคือเออเรื่องเป็นอย่างนี้นะ่ะถ้าไม่ได้ตั้งใจหรอกโยมมาดาคโยมมิดาไหนแยกทางกันพอดีโยมมาดานะครับทิ้งโยมบิดาไว้เนะีะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเด่มตนนะครับ โยบ <produ ctive noise> so so ิดาก็แก่ใช่ไหมลําบากไม่มีไม่มีภรรยาคอยดูแลรับใช้นันก็ลําบากนะครับก็เลยไปบอกข้าลูกนชายให้ไปบอกยศแม่เนี่ยให้กลับมาอยู่ยงกับยศพ่อเลยยงพ่อลำบากนะครับทีนี้ข้ารุ่ชายข้ารหัสท่านไม่รู้สิกขาหมดนะครับต้องอธรมบัตได้เพราไม่รู้สึกขาหมดนะคือท่านรู้ทั้งรู้ท่านจะไม่ลุงละเมิดอย่างเด็ค่ะแม้ตายก็จะไม่ลุงละเมิดนะครับถ้เป็นขั้นนั้นนะแม้ตายก็จะไม่ลงละเมิดแต่นี้ท่านไม่รู้ท่ามันอย่าง ไม่รู้สองอย่างลนสิขาบทนั้นไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาอยากถ่ายกันแล้วอันนึนะครับและก็ไม่รู้ภาพบรรยาอันหนี่งน ะ, นะครับแต่ว่าถ้าทําไปและท่านก็ไปบอกโยมแม่ใช่ไหมให้มันคืนนี้มาอยู่อะไรกับโยมพ่อนะครับร mm ับ hmm. ทำโยมพ่อก่อนแล้วก็ไปบอกโยมแม่แล้วกลับมาบอกโยมพ่ออีกนะครับ mm hmm. ครบองคแต่ทําให้กิริยาจิตนะมหากิริยาเนนะครับไม่มีอกุศลเลย mm hmm. อันนี้ท่านก็ต้องอาบัติไิตเป็นอาบัติธาติเศสหรืออาบัติหนักเลย แต่ว่าเป็นปณิสีมาชาถ้าก็า<ม>าทอมคืนไปนะม่ได้กันอะไรเลยนะครับสาหรับท่านเลยถ้ามันบรรลแล้วนครับพราท่านไม่ได้ไม่เจตนาด้วยนะเพราะท่านไม่รู้นะครับ แ, แต่ว่าสีคามบนนั้นเป็นอจิตกะเนี่ยมีสมุฐานหะก น, นจะรู้ไม่รู้ต้องนั้นนะครับคือของเรานะครับนักศึกษาในสมัยพุทธก็มีฐานที่ยังไม่รู้บรรดาักิอีกนะครับถ้าประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยอืมีน่ะเนี่ยนะก็มีน่ะ เมาที่ยากจะอยู่ต่างสินตาที่อะไรนี่นะแบบพระเจ้าทรงเยสิค้าบทใหม่ขึ้นมาใช่ไหมท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยเขาต้องมีการเรียนการบอกกล่าวติดต่อกันอันนี้เอามือที่ยังไม่จบเรียนเลยมีจิตสามนะครับสมบูรณ์เลยนะกุศลอกุศลแัะพยากรรมนะะัได้ทั้งนั้นนะครับมีเวทนาสามแหจบการตายปัทสโสถธรรมสิกขาบท